เพื่พากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่เวลานี้เรามาประชุมกันเพื่อฝึกขนอบรมตนเพ <c oughs> ื่อให้ได้ขีพึ่งอันประเสริฐที่ล่วงแล้วมาจนถึงปัจจุบันนี้ เรายังไม่ได้ที่พึ่งอันประเสริฐที่พึ่งอันประเสริฐคืออะไรคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์อริยสัจธรรมนี่ที่พึ่งอันประเสริฐที่พึงอันอุ ด, ดมผู้ใดถึง ว่าเป็นที่พึ่งแล้วยอมพ้นจากทุกภัยทั้งพวงการถึงพระพุทธพระธรรมพระสงค์เป็นที่พึ่งก็อาศัยการลงมือกระทําความเพียรนี่แหละจึงจะเข้าถึงพระคุณทั้งสามนี้ได้ พุทธะเปรตผู้รู้ผู้ฉลาดเป็นพระคุณนามของพระพุทธเจ้าฉะงนั้นถ้าจิตของเรายังไม่รู้ไม่ฉลาดยังไม่สามารถละบาปบำเพ็ญบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้ก็ยังเข้าถึงพระพุทธคุณนี้ไม่ได้ นะธรรมะก็เหมือนกันนะนะเมื่อใจยังไม่รู้แจ้งในธรรมะก็จะเข้าถึงธรรมะเป็นที่พึ่งยังไม่ได้ก่อนเมื่อใจไม่รู้แจ้งในคุณของพระสงฆ์ก็จะถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็ยังไม่ได้เต็มที่ ถึงก็ถึงเป็นที่พึ่งได้ก็เป็นที่พึ่งแบบไม่มีหลักฐานมั่นคงเป็นที่พึ่งเป็นไปชั่วคราวทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าบุคคลผูท้ที่ยังละบาปบมเพ็ญบุญให้เต็มที่ไม่ได้ จิตใจมันก็เลือเล่อนลอยเพราะว่าถูกกิเลสมันปั่นเอาถูกกิเลสมันรบ ก, กวนทำให้สงบไม่ได้จิตใจวันไว้เลื่อนลอยถ้าใจเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้ ใจที่พ้นทุกข์ได้นั้นต้องเป็นใจสงบใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่วันไหวต่อทุกข์ไม่หวั่นไหวต่อความไม่เที่ยงของร่างกายสังขารนี้ไม่หวั่นไหวต่อ อิทธารม์อารมณ์ที่น่ายินดีพอใจไม่หวนไหวต่ออินิทธารม์อารมณ์ที่ไม่ชอบใจ mm. ใจอย่างนี้แหละใจจะพ้นทุกข์ไปได้ให้พึงพากันเข้าใจ mm. ถ้าใจนี่ยังหวนไหวอยู่แล้วก็ยังพ้นทุกข์ไม่ได้ mm. ดังนั้นนะการทำสมาธิภาวนามันจริงๆว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะเพราะทุกคนนั้นเบื่อทุกต้องการอยากจะพ้นจากทุกไม่มีใครชอบสักหน่อยเดียวเรื่องทุกแล้วนะแต่ว่าไม่ชอบก็ต้องได้เรื่องจากว่าดวงขีดนี้ได้มาเกิดมาอาศัย อยู่ในขันห้านี้แล้วจะหนีไปไหนก็หนีไม่ได้กรรมมันผูกพันเอาไว้จะทงใจไปฟากผ้าแดนดินที่ไหนมันก็ไปไม่รอดในเมื่ออุปาทานมันมีอยู่ภายในใจนี้แล้วมีทางเดียวนี่แหละทางที่มันจะ ค้นจากทุกไปได้มาฝึกจิตให้สงบลงไปให้มันหนักแน่นอย่าให้วันไหลไปตามอิทธารมและอนิธารมดังกล่าวมานั่นอารมสองอย่างนี้มันมีความหมายกว้างขวางมากทีเดียวเส้นอย่างว่า เจ็บไข้ได้ป่วยลงก็ไม่พอใจแล้วไม่พอใจกับความเจ็บไข้อันนั้นนะความเจ็บความปวดร่างกายทุรุนทุรายอันใจผู้ครองอยู่นี่ก็ไม่ชอบแล้วเมื่อไม่ชอบแล้วแต่ว่าหากลีกไม่พน้นต้องได้รับรู้กับความวิบัตแปรปวนของร่างกายนีอยู่อย่างนั้น นี่มันก็เป็นอนิจจารมณ์อย่างหนึ่งแต่เมื่อหลีกไม่พน้นจำเป็นต้องสู้ต้องอดทนพระศาสดาทรงสอนนะถ้าไม่อดทนแล้วจิตบันไว้เวลากะหอบโอทุกไปด้วยเป็นอย่างนั้นถ้าอดทนอดกัน้นไม่วันไว้ไม่เสียใจไม่เศร้าโศกไม่หวาดกลัว ทำใจได้อย่างนี้แล้วนั่นแหละมันถึงจะท้นไปจากความวิบัติอันนี้สักวันหนึ่งให้ได้เสียงด่าเสียงว่าเสียงยกโทษติเตียนต่างๆโมนี่ก็ไม่เป็นที่ชอบใจเป็นอนิจฐามณมเหมือนกัน อันนี้ถ้าว่าผู้ใดยังมีจิตวันไหวกับเสียงด่าเสียงว่าเสียงเสียดสีกระทบกระทั่งต่างๆอยู่อย่างนี้นี่มันก็พ้นทุกไปอย่างไม่ได้ผิดก็ยังเป็นทุกอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นเขามันไม่ชอบใจเรื่องมัน่ะ พอได้ยินเสียงเส้นนั้นมาแล้วมันใจขุ่นมัวขึ้นมางุดงิดขึ้นมาเลยอย่างนี้นะจึงเรียกว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในอนิจฐารมเออมันนี่เมื่อใจวันไว้ไปตามอนิจฐามณมอย่างนี้โย มันก็ต้องวันไหวไปตามอิทธารมณ์เหมือนกันเพราะว่าใจดวงเดียวนี่เมื่อมันวอกแวกแล้วมันก็อย่างว่านันเนี่ยอะไรกระทบเข้ามามันก็วอกแวกไปเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> เมื่อร่างกายนี่ปกติมีกำลังเรียวแรงดีกินได้นอนหลับ เต็นสามสอกออกสามวาได้เอาดีอกดีใจว่าตนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยตนมีเรี่ยวแรงดีก็เพลิเพินแบบนี้น ะ, ะล่าเริงบันเทิงไม่นึกถึงเลยแล้ ว, ว่าความปกติของร่างกายอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือ หรือมันจะมีวิปัสสแปลผันไปไม่ได้คิดไม่ได้คำห น, นึ่งเหตุด้านนั้มันจึงได้เพิดเพลินมัวเมาไปดวงกิจอันนี้แหละเรียกว่าอิทธารมอารมณ์ที่น่ายินดีพอใจอีกอย่างหนึง่งถ้ามีคนเขาสรรเสริญเยินยอว่าตนนั้นดีอย่างนั้นดีอย่างนี้น อ้าวปลื้ม อ, อกปลื้มใจซะแล้วนึกว่าตนนั่นดีอย่างที่เขาสมมุติขึ้นมานั่นก็เลยปลื้ม อ, อกปลื้มใจในความดีที่เขาว่ามันดีนั้นอันนี้เรียกว่าจิตใจมันวันไหวไปตามอิทธารมอารมณ์ที่น่าชอบใจต่างๆ เมื่อมันวันไหวไปตามอิทธารมได้มันก็วันไหวไปตามอานิธารมได้เช่นเดียวกันดังนั้นลมีแต่สมาธินี่แหละที่จะทําจิตให้ตั้งมั่นลงไปไม่เอียงไม่เอนไปในอารมณ์ทั้งสองอย่างนั้น นนั้นให้เพิ่งพากันใส่ใจให้มากถ้าไม่ใส่ใจในความเป็นไปของดวงกีจดังว่านี้แล้วมันก็ไม่มีทางแล้ะมันจะไปนำตนให้พ้นจากทุกไปได้เพราะว่าเขาทํานองที่ว่าไปเกาไม่ถูกที่ขั้นนั่นแหละ อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยไปรู้แต่เรื่องอื่นนุ่นบนัณฑิเรื่องที่จิตของตนมันคล่องอยู่นี่ไม่ไม่ใส่ใจไม่เพ่งพิจารณาไม่สอนตัวเองเช่นนี้แล้วมันก็ทนจากทุกนี่ไปไม่ได้เลยก็จิตใจอันนี้มันจะเป็นทุกข์อยู่นี่ ก็เนื่องมาแต่มันวันไหวกับอารมณ์ทั้งสองอย่างนี้แหละถ้าพูดโดยสรุปลงแล้วนะลรงพิจารณาดูแต่ถ้ า, าว่าในเวลาใดจิตนี่ไม่ไม่วันไหวไปตามอารมณ์สองอย่างนี้แล้วในเวลาเช่นนั้นอนะ่ะไม่เป็นทุกข์หรอกจิตจนะิต ทารมอนิทารมกระทบ ก, กระทั่งเข้ามาก็รู้เท่าทันได้วางเฉยได้ไม่วันไหวอย่างนี้นะมันก็รู้ตัวเลยนะว่าตนไม่มีทุกข์แต่ถ้าเกิดวันไหวขึ้นมาเวลาใดมันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาเวลานั้นนี่เห็นได้ชัดๆถ้าผูดด้ใดสังเกตตัวเองเสมอเสมอ ดังนั้นเลยเราต้องรู้จักเลือกเฟ้นธรรมวิจัยะนะความสอดสองในธรรมที่พระศา ส, สดาทรงแสดงไว้ในโพชิรงเกดข้อที่สองนะก็มาสอดส่องดูธรรมอันเกิดขึ้นกับดวงใจนี่เองนะ ไม่ใช่อื่นไกลอะไรอ่ะถ้ามาเห็นว่าใจของตนก็ยังยินดีไในอารมณ์ที่น่ายินดีอยู่งี่อ่ะก็เตือนตอนเข้าไปนี่ตนยังมีอุปทานอยู่นะนี่นะยังยึดมั่นในอารมณ์ที่ชอบใจและไม่ชอบใจอยู่อันนี้ไม่เป็นทางพ้นทุกข์อย่าไปวันไว้ไปตามระมัดระวัง เมื่อเวลามีอารมณ์อะไรกระทบกระทั่งเข้ามาก็มีสติรู้เท่าทันห้ามจิตให้ได้อย่าให้จิตมันหลงยินดียินร้ายไปตามอารมณ์นั่นนั้นนี่มันจะเป็นไปได้ก็เกี่ยวว่าการฝึกแล่ไม่ฝึกไม่ไม่ได้อนั่นแหละไม่ฝึกไม่ได้ ในตำราพระพุทธเจ้าก็ยังแสดงไว้ในขราวครั้งหนึ่งที่เมืองโกสัมพีนั้นิสุสองพวกทะเลาะกันนะทะเลาะกันเพราะทมเพราะวินัยนี่เนี่ยลงกันไม่ได้แม้พระศาสดาเสด็จไปห้ามก็ไม่ฟัง นนเนะพระองค์เจ้าจึงได้ทรงตรัสภาษิตเวยว่าเมื่อใดบุคคลยังสำคัญว่าคนนั้นว่าให้เราคนนี้ด่าเราคนนั้นเบียดเบียนเราเช่นนี้แล้วเวรของบุคคลน น, นั้น่อมไม่ระ ง, งับไปอันเวรที่จะระ ง, งับไปได้นั้น ทพระความสำคัญอย่างนั่นเสียโดยไม่ไม่ได้สำคัญว่าเขาด่าเราเขาเบียดสีเราเขาเบียดเบียนเราก็หมายความว่ามาได้พิจารณาเห็นขันห้านี่กาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นแจ้งโดยปัญญาจริงๆแล้วก็แน่นอนแหละ มันก็ลบล้างสัญญาอันนั้นได้จริงๆอืใครสรรเสริญมาใครนินทาว่าไรมามันก็กําหนดรู้ได้เลยเขาไม่ได้สรรเสริญเราเขาไม่ได้ด่าเราเขาไม่ได้นินทาเราเราไม่มีอยู่ในขันห้าขันห้าไม่ได้มีอยู่ในเรานี่มันมันกําหนดรู้ได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวไปตามคําสรรเสริญนินทา ทำด่าว่าเยดสีต่างๆ น, น, นานาหมุนนนะเพราะว่าเราจะไปห้ามคนในโลกอันนี้ไม่ให้สรรเสริญเราไม่ให้นินทาว่าร้ายเราเลยนีไม่ได้ใครจะไปห้ามได้ละ่ะเพราะว่าเวลาเขาจะว่าเรานะั้นเราก็ไม่รู้ถ้าเรารู้ก่อนเราก็พอที่จะห้ามเขาได้ แต่นี่เขาว่ามาแล้วจึงได้รู้นั้นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้ทำจิตให้ได้ฝึกจิตให้มันหนักแน่นเข้าไปอย่างเรียวที่จะพ้นไปจากความสรเสริญละนินทาหมู่นี้ไปได้หมายความว่าผู้มีจิตตั้งมั่นรู้เท่าทัน อ, อารมณ์ทั้งพวงไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้ว มันก็จะมีแตบ่ายหน้าเข้าสู่พันิพาณอย่างเดียวเมื่อเข้าสู่พนิพาณแล้วเมื่อใดนั่นแหละถึงจะพ้นจากคาสรรเสริญและนินทาถ้ายังอาศัยขันห้าอันนี้อยู่ตราบใดแล้วไม่พ้นนะไม่พ้นจากคาสรรเสริญและนินทาไม่พ้นจากสุขไม่พ้นจากทุกข์ ไม่พ้นจากทาอันคู่พูดง่ายๆบันเธออไม่พ้นจากเกิดจากตายนี่แหละให้พากันพินิจพิจารณาดูนักหลาตผู้มีปัญญาอันยอดเยี่ยมทั้งหลายท่านจึงเบื่อหน่ายในขันห้านี่นะเพราะเมื่อมีขันห้านี้มาแล้ว มันประสบตั้งแต่ความผิดหวังมันประสบตั้งแต่ความเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ปกติของดวงจิตเนี่ยมันมันก็ต้องการให้ขันห้านี่แหละ ย, ยั่งยืนนะไม่ต้องการให้ขันห้านี่มันวิบัติแปรปูนไป ความมุ่งหมายมันก็ต้องมีอย่างนี้ทุกคนแหละแต่แล้วมันมันไม่เป็นไปตามใจหวังเพราะว่ากฎธรรมดามันไม่เป็นอย่างนั้นกฎธรรมดามันมีอยู่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดานี่ นี่เป็นความรู้ความเห็นของพระโสดาบันท่านผู้บรรลุโสดาบันนะต้องเกิดความรู้ความเห็นอย่างนี้ขึ้นมาในใจโดยแจมแจ้งไม่สงสัยลังเลเลยดังนั้นแหละพระโสดาบันท่านจึงไม่ได้หวั่นไหวต่อคำสรรเสริญคำนินทาว่าร้ายเสียดสีต่างๆ เพราะว่าท่านไม่ได้ถือว่าเขาด่าเราเขาว่าเร า, เ, ราเขาเบียดเบียนเราท่านไม่ได้เห็นอย่างนั้นไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นพอเห็นแจ้งในขันห้านี้ว่าไม่ใช่ตัวตนแล้วเสียงด่าเสียงว่าเสียงสรรเสริญเยินยอหมู่นั้นมันก็ไม่ใช่ของเขาอยู่เลย ไอ้ผู้ผู้ที่มันด่ามันว่ามันสนเสริญเยนยอมันก็ไม่มีไม่มีเขาไม่มีเราอยู่ในนั้นเมื่อเห็นภายในขันห้าอันที่ดวงกิจอาศัยอยู่นี่แล้วมันก็ต้องเห็นภายนอกขันห้าที่ดวงกิจผู้อื่นอาศัยอยู่โน่งนู้อมันก็ต้องเห็นเหมือนกันเนี่ยถ้าไปเห็นแต่ขันห้าอันดวงกิจอาศัยอยู่นี่เท่านี้ล่ะ ขันห้าอื่นไม่เห็นมันก็ไม่ได้อีกมันมันไม่ใช่ความจริงอันนั้นไม่ใช่รู้จริงถ้ารู้จริงแล้วมันต้องรู้เหมือนกันหมดเลยโลกสานิวาสทั้งโลกอันนี้แหละถ้าพูดให้ ก, กว้างๆแล้วนะต้องรู้หมดเลยต้องรู้เหมือนกันเพราะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นในหมายความว่า หมายเอาหมดทั้งโลกอันนี้เลยเพราะโลกอันนี้มันเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นนางที่เคยพูดให้ฟังมาอยู่บ่อยๆแล้วเมือ่อโลกโลกคือแผ่นดินนี่มันจะหมดอายุลงมันจะเกิดเป็นพระอาทิตย์มาทั้งเกียร ด, ดวงนนท์เผาโลกอันนี้ให้เป็นจุลวิจุนไปเลยอย่างนี้นะ นั่แล้ววันนี้มันก็ก่อตั้งขึ้นมาใหม่อืมเมื่ออยู่ไปอยู่ไปหมดอายุเข้ามาแล้วมันก็มีอันเป็นไปที่นาคบรรลัยลงไปอย่างนั้นเนี่ย อ, อย่าว่าตั้งแต่มนุษย์และสัตว์ที่ไรฉานสิ่งที่มีจิตครองแม่สิ่งที่ไม่มีจิตครองมันก็เกิดขึ้นแล้วแฝงปนแตกลับไปเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันเจริญสมาธิให้เกิดขึ้นเจริญปัญญาให้เกิดมีขึ้นอย่าไปปล่อยให้ชีวิตนี้มันร่วงโรยไปเสียเปล่าเมื่อเวลามีกำลังมีอยู่เนี่ยเราต้องบำเพ็ญนนะต้องลงมือทําต้องฝึก ฝึกกายให้ขยันขันแข็งไม่เกียจคร้านไม่เห็นแก่หลับแก่นอนไม่เห็นแก่อยู่แก่กินนี่นะคําว่าฝึกกายให้แข็งแรงนั่นนะมเมื่อกายมันเข้มแข็งดีไม่เกียจคร้านแล้วนั่งสมาธิภาวนาเข้าไปวันนี้ก็ฝึ ก, กจิตนี้ให้มันเข้มแข็งวันนี้ ให้มันส ง, งบลงไปจากนิวรณะธรรมทั้งห้าหลักปฏิบัติมันก็มีอย่างนี้นะไม่ทราบจะเอาอะไรมาพูดถูกกันฟังนะถ้าไม่ท้าวถึงทำเดิมหรือทำสอนของพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้เป็นหมวดเป็นหมู่เป็นหลักฐานไว้แล้วนะั้นมันจะไปเอาคําพูดปลามปลามาพูดถูกกันฟังไม่มีหลักฐานมันก็ไม่มีน้ําหนัก ดังนั้นเราต้องหาเหตุผลให้เพียงพออะไรอะไรก็ดีต้องหาเหตุผลให้เพียงพอถ้าเหตุผลไม่เพียงพอแล้วมันเชื่อไม่ลงใจนี่น่ะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้ามันจึงมีมากมายเอา ถ้าพราะองค์เจ้าทรงแสดงอย่างนี้เอาคนเหล่านั้นไม่รู้ไม่เข้าใจได้พระองค์ก็พลิกนโยบายใหม่นําเรื่องอื่นมาแสดงอืเมื่อพะเมื่อแสดงไปมันถูกกับจริตของคนเหล่านั้นมันเหมาะสมกับจริตของคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นก็รู้ได้ก็เข้าใจได้นี่แหละคําสอนถึงได้มีมากมายอย่างนี้ <c oughs> อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยขอให้พากันพินิษพิจารณาดูให้ดีคำสอนของพทธเจ้านะสรุปความลงแล้วเรียกว่าทุกคนนั้นนะต้องการความสุขอันเป็นแก่นสารไม่ต้องการความสุขชั่วคราว แต่เมื่อสเสวงหาไม่ถูกทางมันก็จะได้ประสบแต่ความสุขชั่วคราวเท่านั้นแหละแต่เมื่อเราสเสวงหาถูกทางแล้วจะได้พบกับความสุขอันเป็นแก่นสารโดยอาศัยการทำสินให้บริสุทธิ์แล้วก็ทำจิตให้บริสุทธิ์เป็นสมาธิจเจริญปัญญาวิปัสสนาให้เกิดขึ้นดังอธิบายมาโดยลำดับนั่นแหละ ให้เห็นแจ้งในไตรลักษณะญาณถอนอัตตานนทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาออกไปจากดวงจิตนี้อให้ได้อย่าให้จิตนี้มันหลงสำคัญว่าขันหานี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาให้รึ่งเข้าใจอย่างนี้ ให้พึ่งทำความรู้ความเห็นอันนี้ให้แจ่มแจ้งในใจแลว้วก็รักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้อินทรีย์มันจะค่อยแก่กล้าขึ้นไปโดยลาดับเมื่อมันรู้เห็นทำของจริงอยู่นี้ศรัทธาความเชื่อมันก็มั่นใจลงไปวิริยะความเพียรเพื่อให้บรรลุทำของจริงอันนี้ได้มันก็ ก้าวไปเรื่อยๆมันไม่มีถอยเหมือนยังคนมีทุนค้าขายดังที่เคยพูดให้ฟังมาเมื่อมันได้กําไรงามๆ ม, มาแล้วมันก็ดูดดื่มในใจมันก็ตั้งใจตั้งสติระลึกถึงธรรมของจริงนั้นถึงความรู้ความเห็นอันเป็นจริงนั้นเสมอเสมอจิตก็ตั้งมั่นอยู่ในธรรมของจริงนั้น ปัญญาก็วินิจัยพิจารณาทรรมของจริงให้มันยิ่งขึ้นไปแต่แต่เห็นทรรมของจริงกาจริงรอยู่แต่ยังเห็นไม่รอบเราต้องพิจารณาให้มันเห็นจริงยิ่งยิ่งขึ้นไปนะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อมันยิ่งเต็มที่มาแล้วมันก็บรรลุได้เป็นอย่างนั้นความหมายแห่งการปฏิบัติธรรม ในพระพุทธศาสนานี้ดังกล่าวมา